สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์แต่ผมขออนุ ญ, ญาตเอาบทเรียนจากพระธรรมชุภัสิทธ์ครั้งที่เจ็ดสิบสามเรื่องจงระวังเรื่องคำพูดตอนที่สองมาแทนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ส่งผิดวันไปให้นะครับพี่น้องครับ สุภาษิตบทที่สิบสองข้อสิบเจ็ดถึงยี่สิบให้เราระวังเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดโปรดฟังโภชนะของพระเจ้าบุคคลผู้พูดความจริงให้หลักฐานที่ซื่อตรงแต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวงมีบางคนที่คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราดนำการรักษามาให้ลิ้นผีป่าที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิด แต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่อยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียวความหลอกลวงอยู่ในใจของบรรดาผู้ที่คิดแผนการชั่วร้ายแต่บรรดาผู้กะแผนงานที่ดีมีความชื่นบานพี่น้องครับผมจะอ่านอีกวอร์ชั่นหนึ่งให้พี่น้องฟังนะครับพยานที่ซื่อสัตย์พูดความจรงิงส่วนพยานเ็จพูดโกหกคำพูด พร้อยพริมแทงเหมือนดาบแต่วาจาของคนเฉลียวฉลาดก็เยียวยารักษาคำพูดที่สัตว์จริงไม่มีวันสูญสลายแต่คำโกหกไม่ช้าก็ถูกจับได้ใจที่กะการชั่วร้ายเต็มไปด้วยอุบายหลอกลวงแต่ส่วนผู้ที่ส่งเสริมความสงบสุขก็มีแต่ความยินดี นะครับน่าสนใจครับในข้อที่สิบเจ็ดบุคคลที่พูดความจริงนั้นให้หลักฐานที่ชื่อตรงแต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวงใน พ, พระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษแปข้อสิบเจ็ดนี่นะครับว่าเมื่ อ, อไรก็ตามที่คนพูดความจริงความยุติธรรมก็ได้เกิดขึ้นแล้วแต่คำโกหกนำมาซึ่งความอติธรรยเมื่ อ, อไรก็ตามที่คนพูดความจริง ความยุติธรรมก็ได้เกิดขึ้นแล้วพี่น้องครับ when you tell the truth justice is done when you tell the truth justice is done ประทับใจมากครับเราต้องพูดความจริงเมื่ อ, อไรก็ตามที่เราพูดความจริงความยุติธรรมก็ได้เกิดขึ้นแล้วในทางกลับกันครับคำโกหกก็นำมาซึ่งความอยุติธรรม but lies lead to อินเจสติสพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับพระอาจารย์พระเจ้าตอนนี้อย่างน้อยทําให้ผมนั้นมั่นใจเรื่องของการพูดความจริงพี่น้องครับเราเคยได้ยินครับว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงอาจตายได้แต่พระคัมภีร์ครับพูดว่าเมื่อไรก็ตามที่เราพูดความจริง ความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นด้วยว่าปากนั้นพูดสิ่งที่ออกมาจากใจคนชอบธรรมเขาจะพูดความจริงเสมอครับแต่ในทางกลับกันคนอธรรมก็จะพูดความเท็จชีวิตของคนธรรมนั้นเขาอยู่กับความเท็จการหลอกลวงหน้าไหว้หลังหลอกคําพูดพร้อยๆและการวิจารณ์ก็สามารถทําให้คนอื่นบาดเจ็บได้ ชี้ิของเขานั้นใช้คําพูดเพื่อที่จะทําลายคนอื่นพี่น้องครับคนฉลาดคนมีสติปัญญาเขาจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยคําพูดที่ไร้สาระและไม่คิดก่อนพูดไม่ใส่ตรองในทางตรงข้ามครับคนฉลาดคนมีสติปัญญาคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้อยคําของเขานั้นจะนําการรักษามาให้ นำการเยียวยามาให้ใครที่อยู่ข้างๆเขาอยู่รอบเขาก็จะมีความชื่นอกชื่นใจจะได้การหนุนจิตชูใจตลอดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนะครับเลือกที่อยู่ใกล้คนที่มีสติปัญญาคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะคำของเขานั้นเป็นคำที่เข้มชื่นทำให้เกิดความชื่นใจทำให้เกิดการหนุนใจพี่น้องครับถ้าไปอยู่ใกล้ๆคนที่ พูดทางลบเสมอให้ออกห่างครับให้ไปอยู่ใกล้ๆคนที่พูดบวกคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่กล่าวคำหนุนใจครับข้อต่อมานะครับนักปราดจะไม่สนใจที่จะชนะการโต้แย้งพี่น้องครับใครที่เป็นนักปราดคนที่มีสติปัญญาครับแล้วพวกนักปราดนี่เอง ไม่สนใจที่จะชนะการโต้แย้งเพราะอะไรครับเพราะก็รู้ความจริงครับเขารู้อะไรถูกอะไรผิดเขาไม่โต้เขาหลีกเลี่ยงคำพูดที่จะสร้างความขมขื่นและคำพูดที่สร้างสิ่งกีดขวางคำพูดที่จะสร้างอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ของเขากับคนอื่นขอบคุณพระเจ้านะครับความคิดนี้ํำเตือนสตินี้ทำให้เราต้องกลับมาดูตัวเองครับ ถ้าเราเป็นนักปราชญ์เราจะไม่เข้าไปอยู่ในการโต้แยง้งที่ไร้สาระและเป็นความเท็จแต่เราจะสร้างความสัมพันธ์และเราจะให้คำของเรานั้นคาพูดของเรานั้นนำการคืนดีกันมาให้คนชั่วร้ายนั้นเขาใช้คำพูดทิมแทงคนอื่นครับอย่าไปเรียนแบบเขา เอาคำพูดเชื่อเฉืนบาดใจเอาคำพูดที่ทำร้ายกันเอาคำพูดที่บั่นทอนกันและกันอย่างเลือดเย็นคนชั่วร้ายทำกันอย่างนี้พี่น้องครับออกห่างจากคนชั่วร้ายครับในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องไม่ท้อใจไม่ท้อใจต่ออะไรครับไม่ท้อใจต่อคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นไม่ท้อใจต่อคาพูดที่ให้ร้ายป้ายสี ไม่พอไม่ท้อใจแต่คำพูดที่ไม่เป็นความจริงไม่ว่าคนชั่วร้ายจะใส่ร้ายป้ายสีเรายังไงก็ตามไม่ว่าคนชั่วร้ายจะคิดกับเรายังไงก็ตามนั้นครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระเจ้าคิดถึงเราอย่างไรครับพระเจ้าพูดถึงเราว่าอย่างไรครับพระเจ้าภาคภูมิใจเราหรือเปล่าครับในสิ่งที่เราทำอยู่ในสิ่งที่เรามีเราแปนอยู่เราใช้ชีวิตอยู่ เรารับใช้อยู่พระเจ้าภาคภูมิใจเราหรือไม่อย่างไรครับเมื่อพระองค์คิดถึงเราพระองค์ทรงยิ้มยิ้มแยม้มหรือพระองค์ทรงเสียพระทัยกันแน่นี่แหละครับสิ่งที่สําคัญที่สุดพี่น้องครับในการนําเสนอความจริงหรือการพูดความจริงนะครับอาจจะทําให้เราบาดเจ็บแต่เราต้องพูดครับแต่ในการพูดนั้นเราจะต้อง ใช้ความเฉลียวฉลาดสติปัญญาในการพูดในการพูดความจริงเราต้องทําอย่างฉลาดครับและพี่น้องครับบุคคลที่พูดความจริงก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีและยาวนานตลอดไปสิ่งที่สําคัญครับใครก็ตามที่พูดความจริงนะครับผลแห่งความการพูดความจริ ง, งเขานั้นจะมีผลลัพธ์ที่ดีในที่สุดและยาวนานตลอดไปแต่พระกัมพีบอกว่า ใครก็ตามที่พูดเท็จจะอยู่ได้ไม่นานลิ้นฝีปากที่พูดจริงนั้นทนอยู่ได้เป็นนิดแต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียวครับพี่น้องครับความหลอกลวงอยู่ในใจของคนชั่วร้ายเขาคิดแผนการร้ายเขามีประสงค์มีความประสงค์ที่ไม่ดีกับคนอื่นเขาชื่อเสียงเขาไม่ดีครับแต่คนที่ ไว้วางใจได้คนที่ซื่อสัตว์ชื่อเสียงของเขาดีชื่อเสียงนั่นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราต้องต้องมีครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ซึ่งเป็นผลมาจากความซื่อสัตว์ความซื่อสัตว์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเราความซื่อสัตว์ในความรับผิดชอบของเรานับว่าคุ้มค่ามากครับคุ้มค่าจริงๆความปรารถนาที่จะ มีความมีชื่อเสียงดีนะครับเป็นที่รักของทุกคนอันเกิดจากความซื่อสัตย์คุ้มค่าครับเราจะต้องเป็นคนที่คนอื่นไว้วางใจได้นะครับ reliablereliable Rel นั้นเป็นคำที่สำคัญมากคนอื่นไว้วางใจเราได้พมพีบอกว่าผู้ที่กะแผนงานที่ดี ก็มีความชื่นบานพี่น้องครับการที่เรานะครับวางแผนและมอบแผนงานของเราไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเราที่มอบให้กับพระเจ้านั้นก็จะได้รับการสถาปนาไว้ครับ <c oughs> เมื่อได้รับการสถาปนาไว้แล้วพี่น้องครับเราก็จะมีความชื่นบานเพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นจะไปสู่ความสําเร็จตามการจงนําของพระเจ้า ความยินดีและการเตี่ยมล้นจะเติมเต็มใจของบรรดาผู้ที่พูดให้เกิดสันติสุขนำการคืนดีมาให้กับผู้คนทั้งหลายคนที่ส่งเสริมความสงบสุขก็จะมีแต่ความยินดีครับผู้ประสานงานที่ดีครับนะก็จะมีความชื่นบานเกิดขึ้นกับตัวเองและคนอื่นอีกมากมายขอพระเจ้าอวยพพ ร, พรทุกท่านครับ อมน